จุดที่มักเข้าใจพลาดเกี่ยวกับนิพพานข้อที่สองลักษณะที่ชวนให้สับสนหรือหลงเข้าใจผิดมนุษย์ปุตุชนทั่วไปมีชีวิตที่วุ่นวายกับความเป็นอยู่ด้านกายความเป็นไปทางวัตถุเรื่องราวและเหตุการณ์ที่มาเกเครียดและร้อนรุมเมื่อพบปรากฏการที่เห็นว่าพ้นวิสัยกายเหนือวัตถุ และลักษณะอาการที่สงบเย็นดูลึกซึ้งอันเห็นว่าเป็นผลสาเร็จทางจิตเป็นภาวะที่แปลกสะดุดก็รู้สึกประทับใจได้ง่ายและเพราะขาดความรู้พื้นฐานทางด้านจิตใจก็ไม่สามารถแยกแยะพิจารณาว่าอันไหนเป็นอย่างไรจึงหลงเอาผลสาเร็จต่างระดับต่างประเภทมาสับสนปนเปกันอย่าว่าแต่ปุตุชนสามัญ ผู้เข้ามาเห็นเข้ามาเกี่ยวข้องจะหลงเลยแม้แต่ตัวผู้ปฏิบัติได้ผลสำเร็จเหล่านั้นเองก็หลงสับสนได้มากดังนั้นความรู้ที่จะจำแนกให้ถูกต้องหรืออย่างน้อยการมีความเข้าใจพื้นฐานที่จะให้มีสติยัง้งพิจารณาไตรตรองเสียก่อนจึงมีประโยชน์ที่จะช่วยป้องกันความหลงผิดและการปฏิบัติพลาดร้อมทั้งผลเสียอื่นๆที่จะเกิดตามมา ผู้ที่ได้ฤทธิ์มีอิทธิปาฏิหารก็ทำให้คนซึ่งนิยมในทางศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์ชื่นชมว่าคงเป็นผู้บรรลุธรรมสูงสุดผู้ฝ่ทางวิเวกเมื่อได้ไปทำความเพียรอบรมจิตอยู่ในที่ห่างไกลอันสงัดแม้เพียงได้ดื่มดำในรถวิเวกยังไม่บรรลุคุณธรรมพิเศษอะไรก็มีท่วงทีสงบเยือกเย็นชวนเลื่อมใสถ้ายิ่งได้บรรลุผลของสมถะได้ฌานสมาบัต ก็ยิ่งลึกซึ่งมั่นคงน่าเชื่อถือมากขึ้นทั้งตนเองก็อาจเคลิ้มใจไคว่เขวเอาสมถะเป็นวิปัสนาบางทีก็ปล่อยความคิดลั่นเลยไปว่าตนได้ประสบอริยผลแล้วส่วนท่านที่ปฏิบัติทางด้านวิปัสนาบางทีก้าวไปไกลถึงวิปัสนาสุขซึ่งเป็นอุปเกลเลสของวิปัสนา แต่เป็นช ง, งักหลงผิดเสว่านั่นเป็นนิพพานรั้นคนทั้งหลายเห็นลักษณะาอาการสงบลึกซึ้งเลื่อมใสพากันยกย่องก็ลุ่มหลงลอยไปทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข้อที่ควรระวังการที่ระวังนั้นไม่ใช่เพื่อจะให้คอยระแวงสงสัยหรือคอยหาทางจับผิดดูถูกดูแคลนกันเพรอย่อมเป็นการสมควรที่จะแสดงความเลื่อมใส แก่ผู้น่าเลื่อมใสแต่การรู้ไว้อย่างนี้จะเป็นเครื่องช่วยให้ได้รับประโยชน์ตามที่ถูกที่ควรพอเหมาะพอดีกับระดับของประโยชน์ที่สิ่งนั้นมีให้หรือสามารถให้ได้ไม่หลงเลยไปจากประโยชน์จนกลายเป็นโทษไม่ชวนกันลุ่มหลงทั้งฝ่ายผู้ปฏิบัติและผู้เลื่อมใสการปฏิบัติพากันจมดิ่งลงในลทัทธิฤษีชีไพร หรือมิจฉาปฏิบัติอื่น